ในช่วง 2 2 <c oughs> เชียงรายนะ แล้วก็มีโอกาสไปร่วมค่าย ทำภารกิจในการบุกเบิกนะฮะ <c oughs> เขาประกาศข่าวประเสริฐแน่นอนนะฮะอัน 2 ฉะนั้น และสิ่งว่าเอ่อเป็น จะอนุญาติหรือไม่อนุญาติเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ก็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 ทำงานจนสุดปีอย 2030 อยาก 10% ปี 2020 เอา 2, 20 2>, <c oughs> เอ 2 ล้าน กับใน in Peace นะพรสอินพีส 3 ชั่วโมงผมกําลังเดินทางไปเอ่อเชียงราย 3 ชั่วโมงอ่ะ สุดท้ายศึกษาหม่อมก็มีข่าวใหม่แล้วอาจารย์อุศักดิ์เอ่อพักสงบใน นะฮะรับท่านสบายนะฮะท่านสบายผมเอารูปภาพนี้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 ทำไมต้องเต็มที่กับพระคริสต์ทำอยู่เฉย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 แต่ลังชิดเชียดทำนองนี้นะมัน <c oughs>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 ไม่ต้องหาถ้าคุณมีเวลาอยู่ ยกเว้นพระเจ้าทรงเรียกผู้กันตรง แต่เป้าหมายพระเยซูกลับเช็ดเจ้าเพื่อ แต่แบ่งวางกันเอ่อสรรเสริญพระเจ้าชื่นชมยิน มีเวลาหรือเนมีโอกาสมาช่วยงาน ซึ่งองค์พระพุทธเจ้าผู้พิพากษาชอบจาก มุ่งกุดแห่งความชอบธรรมจะเป็น ก็เป็นสิ่งที่ถามเราคิดแวบเดียวไปแวบเดียว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 แต่ถ้าเราไม่เต็มที่กับพระเจ้า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 ไม่พระเยซูมหาเราเราก็ไปเรไม 7 นะฮะ 7 เนี่ยข้าพเจ้า นะ. ภาษานะ I have forged the good fight นะคือต่อสู้สุดกําลังสุดความคิดเต็มที่ทําทีม ให้กับผู้เล่นนะ <pe ek> นะสู้นะเช่นเราอาจจะแกร่งไม่พอเมื่อเรา ทำเต็มที่พัฒนาต่อพัฒนาพัฒนา ทุกอย่างเนี่ยทําเต็มที่ทําสุดแรงสุดความ กำลังซึ่งมาจากคงความช่วยเหลือ โอนิอัสได้รับการสําแดงเอ่อทูตสวรรค์ เพราะคนยิวมักชอบคิดว่า เขาแสวงหาพระเจ้าจนพระเจ้าได้เห็น การประกาศข่าวประเสริฐคือสันติสุขใน เปลี่ยน back is low เป็นคริสตจักรฝากไอ้ที่ นะยึดพระเจ้าเป็นของตัวเองมาคิดจัก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 Mei täm ei le ja täm on mitä? Mei täm ei le ข้าพเจ้าได้แข่งขันให้ถึงที่สุดหรือ โดยการทําให้เต็มที่ทําสุดกําลังมันอาจ แต่หน้าที่ของอาจารย์นกขั้นอาจจะทํานะแต 10 นะงานเนี่ยงานที่จะจัดในเรลนี้คือ <c oughs> <c oughs> มาอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยคนในประเทศต่างจะ 200 กว่าประเทศใจฐานประเทศคนของเขามาวันนะวันคนต่างประเทศอยู่ นะรอพักครบชาติพระเจ้าอยู่นานนะฮะ 7 วันถึงถือว่านาน เมื่ออาจารย์นกไม่อยู่แล้วอาจารย์นกไม่อยู่แล้วครับๆตอนนี้งานนี้ใครจะรับๆเฉยๆที่ๆแล้ว พระเจ้าจะทวงอ่ะคุณต้องลงมาละนะฮะไม่ใช่มา งานนี้เป็นงานของเราแต่เป็นงานของพระเจ้าคริสต์จากพระเจ้าต้องร่วมกันรับใช้ร่วมกัน ไม่ได้ตอบไม่ได้แต่ที่แน่คือว่าถ้าถึงหลักชัยเนี่ยมงกุฎแห่งความชอบ รักษาการทรงเรียกไว้ให้ได้การทรงเรียกการจริงๆ อะไรที่สําคัญต้องรักษาไว้สําหรับผมผมชัดเจนผมผมต้องมีส่วนในการ 30 30 และความร่วมภาพในไทยๆแล้วๆแต่ประเทศอื่นจัดใน มีกําลังพอในๆแต่ประเทศๆแต่ของที่อื่นในๆ <ız> ไม่ใช่คองเกรสเนี่ยทั้งประเทศจริงๆนะงาน แต่ทําด้วยความมุ่งมั่นต่อไปว่าทํา และการส่งเรียกของพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าพลัง ไม่มีใครผมจะทําต่อเรายิ่งวางมือไม่ได้ของเรื่องของพระเจ้าไม่งาม รักษานี้ไว้รักษาการทรงเรียกไว้รักษาการทรง ทหารเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งเค้าเรียกว่าวินัยหย่อนชั่วโมง จริงๆทหารตำรวจจะเหมือนกันของเขาคือเตรียม 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง näin kai, jatkun jälkeen, että minä olen täysin tyytyväinen. Mutta jos minulla on jokin ongelma, ตอบไม่ได้งั้นเท่าที่มีเวลาอยู่นะฮะแล้วก็รักษาความเชื่อไว้เต็มที่รักษาการทรงเรียกของพระเจ้าไว้รักษาการทรงเลือกของพระเจ้าไว้กําลัง นั่นก็หนุนใจในพระคัมภีร์ 2 ข้อ แผนชิพของพระเจ้าขอทําหน้าที่สําเร็จ ชีวิตเขาไม่สําคัญอะไรแต่แค่ทําหน้าที่ เรารำลึกถึงคำสั่งของพระเยซู สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ควรแก่ Dai yhty. Koko kunnia pyhää teitä ujoa,